อภินหปเจเวคณะหันธรรมอย่างอภิ น, นาปเจเวคณาปาทังพนามาเซชาลาธรรมโมหีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชาลังอนัติโตจะล่วงพนความแก่ไปไม่ได้พยาที่ ร, รมโมหี เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพระญาติหันอาิโตจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมโมหเรามีความตายเป็นธรรมดามารณังอนัตติโตจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมพิยเยหิมนาเพหิอาาโววินาภาโวเราจะเป็นไปต่างๆคือจะพักพักจากของรักของจะเริ่นใจทั้งสิ้นไปกรรมัสสะโกมีเรามีกรรมเป็นของโทนอนกรรมทโยาโทร เราเป็นทายาทผู้รับผลแห่งกรรมกรรมไมโยนีเราเป็นผู้เกิดมาแต่กรรมกรรมมาพันธุเราเป็นเผ่าพันธุแห่งกรรมกรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสาวีเราทำกรรมอันใดไว้ กไลนาณวะปากปา ก, ปากังวะเป็นบุนหรือเป็นบาปตัสะทายาโทปวิสาวิเราจะได้รับผลของกำนั้นไปอิทิยาวาหญิงกด็ดีปุริเซนาวาชายก็ดี ข, าาข้าทินนาวะครหัดก็ดี ภาพาชิตเตนาวาบันพาชิตก็ดีอาพินห้าปัจเจเวคิตาพามเพึ่พิีจาระาอย่างนี้เรืองเลื่องทุกวันคืนแลอนิจจาวัตสังขาสังข า, า, งขาทางหลายไม่เที่ยงหนอนอุบาทวยธรรมไิโดน เกิดขึ้นแล้วยอมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานโอปัจจิตวานิรุจจันติครั้นเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเอสังหูปสมุขโควางเข้าไปดับซึงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มารันต e ิจายองตายด้วยมาริสุจาตายแล้วด้วยมาริสเรจะตายด้วยตาเทวาังมาริสาวิเราจะตายอย่างนั้นด้วยนัติเมเอทาสังสยด ความสงสัยในเรื่องภายในให้มีแก่เราเลย